ทุกท่านทีท่จริงเป็นคนใหม่ดีนะเป็นคนเก่าไม่ค่อยดีหรอกเราต้อนเพื่อนคนเก่าโดยที่จงยแต่ชีวิตเนี่ยเราให้กี่ครั้งโกรธกี่ครั้งโอหลงกี่ครั้งอยากกี่ครั้งนะตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้นะเห็นไหมคนเก่านะ กิเลสมันเยอะมากคนเก่าที่ทุกข์มากะทุกข์ง่ายสุขยากคนเก่าที่ชีวิตเราทำตามความอยากนะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หงอยแผลรักษาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหนื่อยไหม ต้องต้องถามตัวเองเลยว่าเหนื่อยไหมเวลาเวลาเราอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะหรือว่าเราได้มาแล้วเราก็ต้องรักษาของแถนสิ่งนั้นเหนื่อยหรือเปล่าต้องถามตัวเองหรือว่าเมื่อเกิดการไม่ได้ตังใจนะสิ่งที่อยากจะได้มันไม่ได้สิ่งที่อยากจะรักษามันรักษาไม่ได้ เรารู้สึกเป็นทุกข์ไห ม, มพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมนะสิ่งสาคัญจริงๆนะเราต้องเห็นความทุกข์ <c oughs> <c oughs> เห็นว่าชีวิตที่ผ่านมามันมีความทุกข์จะทุกข์เพราะต้องทุกข์เพราะว่าการสแสวงหาสิ่งที่ต้องการก็ดีทุกข์เพราะการรักษา สิ่งที่เราได้มาแล้วก็ดีหรือทุกข์เพราะการพัดพาสูญเสียสิ่งที่เคยได้มาแล้วก็ดีมันคือความทุกข์เพระนั้นที่จริงคนถ้าไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมก็จะไม่ปฏิบททัติธรรมแม้จะมีคนชักชวนนะคุณหมอคนที่ก็ชวนมาห้าหกปีแล้ววัดนั้นวัดนี้ก็ชวนนะให้มาหาสติอ่า มหาธรรมะมันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะมีเยอะมากเปิดชวนแต่ถ้าเราไม่เห็นพุก ด, ด้วยตัวเองนะก็จะไม่ค่อยใส่ใจหรอกอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจจะก็ยังรู้สึกลึกๆว่ายังไม่จำเป็น <c oughs> รอวันรอวันไหนที่ทุกข์มากๆ ดูละมีคอสที่นี่มีวันที่นั่นมีพระอาจารย์ที่นั่นนอาชื่นเพดีนะแต่รอก่อนรอก่อนรอนนทุกขงมากต่อ น, ออนรามีปัญหาก่อนหรื อ, อ, อรอวันที่เราพร้อมกว่า น, นี้เนาะรอวันที่งานไม่ยุ่งรอวันที่ครอบครัวไม่เป็นภารนะเราคิดว่าเราจะพร้อมในการศรึกษาธรรมะจริงๆตอนที่สิ่งแวดล้อม ข้างนอกส่วนหนึ่งก็บีบพันธนะ์เจอทุกมากๆบีบพันธ์เจอปัญหามากค่อยบีบพันธ์เข้าไปที่วัดไปไปฏิบัติธรรมจริงๆหรือรอวันในที่เราพร้อมจริงๆเราค่อยไปนะแต่คนใดคนส่วใหญ่คนก็ะเทที่สองนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยอื่นพร้อมแต่คนนี้ที่ไม่พร้อมคือทางกาย <c oughs> ร่างกายไม่เคยพร้อมนะนะรอก็เตียงก่อนนะพอก็เตียงแั้วก็ร่างกายไม่เคยพร้อม ดีไม่แต่พวกแรกเองเหมือนกันนะเรามีปัญหาก่อนมีความทุกข์มากๆก่อนค่อยไปปฏิบัติบางคนก็สามารถออกจากปัญหาออกจากความทุกข์ได้แต่บางคนพอพอมันทุกข์มากๆนะมันต้องภาวนายากที่ดียวนะแต่มันใช่ใช่มันจบกับความทุกข์แต่มาว่าพวกเราหลายคนนี่ก็เอาเป็นกลางนะไม่ต้องเจอทุกข์มากแล้วก็ไม่ต้องรอว่า ชีวิตต้องฟ้องทุกอย่างด้ปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจจริงๆว่านะการปฏิบัติธรรมหรือการมีสติเนี่ยนะมันควรจะเอาไปใช้กับทุกเวลานะในการมีชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะว่าเมื่ อ, อไหร่ที่เรามีความสุขหรือสมสิ่งที่เราปรารถนาถ้าเรามีสติเราก็จะไม่หลงกับโลกนะ เราจะไม่หลงในร่างกายเราที่แข็งแรงเราจะไม่หลงในลนะาบยศสรรเสริญที่มีเราจะไม่หลงในสิ่งที่เราเป็นโดยสถานนะเดยอะไรก็แล้วแต่คือการมีธรรมะนะักจะทาให้เราไม่หลงตัวคนทีนะ่คนที่ไม่มีธรรมะมาํากับนะพอมีอำนาจก็หลงอำนาจพอมีเงินก็หลงเงิน พอมีรูปที่สวยที่หล่อก็หลบในรูปสวยรูปหล่อพอมีในร่างกายที่แข็งแรงก็หลมว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกนานมีอะไรถ้าเราไม่มีธรรมะก็หลงไปกับสิ่งนั้นนี่คือธรรมะก็เลยจําเป็นแม้แต่คนที่ไม่มีปัญหานะเมือนจะมีความพร้อมทุกอย่างแต่ก็ทําให้เราไม่หลงเลยเพราะถ้าเราหลงทั้งนั้นนะนี่มันก็ พอมีคนมาแย่งสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีเราก็เสียใจนะเพราะเราคิดว่าเป็นของเราจริงๆเป็นของเราจริงๆนะอันนี้มามีมีแม่ชีคนหนึ่งนะเลาให้ฟังนะมีไฟจาน ร, รุ่นหนึ่งนะที่ท่านที่แม่ชีเ พ, อพอราะเขาเลมากแต่ตอนนี้ท่านท่านสังธรราแล้วนะแม่ชีก็ทาํางานกะ่อสร้างน่ะที่วัดเขาเน้นก่อสร้างไปด้วย ภาวนาไปด้วยนะไม่ขีก็อ่ารอดนาฬิกาไม่ขีก็มีนาฬิกาได้นะแต่พลาไม่ค่อยมีหรอกคนะอนรนาฬิกาวางไว้นะก็ทํางานหน่งตาก็เดินมาถามนาฬิกาของไทยไม่ขีว่าของหนูค่ะตาก็ถามนาฬิกาของไทยของหนูค่ะ ถามพันี้ตาสตรอีกในตาผมไทยผมหนูค่ะแต่คําที่ศามตร์ก็เล่นงงในดวงตาถามย้ำหลายรอบนะ่พอท่านถามครบสามครั้งท่านก็ท่านก็ไปถามเพื่ออะไรนะไม่ขี่ก็เริ่มว่เพิ่มหวั่นไว้นะคำถา ม, ถามที่ตอบคําแรกเนี่ยมันตอบแบบมั่นใจมาก เนี่ยในการของของหนูของเราแน่ๆเลยพอหลวงตาถามครั้งที่สองเนี่ยเริ่มสงสัยที่แม่นตาถามครั้งที่สองเองก็บอกไปด้วยความไม่ค่อยแน่ใจแต่ครั้งที่สามเนี่ยเริ่มตะกลูตะกะของหนูมันเป็นของหนูจริงหรือเปล่านี่คือหลวงตาต้องการให้เห็นนักทีว่าไอ้ที่ว่าเป็นของเราเนี่ยมันใช่ของเราจริงหรือเปล่า อันนี้ทั้นสอนจากจากนาฬิกาจากนาฬกาที่เราคิดว่าเป็นของเราสิ่งหลายๆอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นของของเรานั่นแหละมันเป็นของเราจริงรึเปล่าบ้านที่เรามีรถที่เรามีเงินทองที่เรามีชื่อเสียงเกียรติยศที่มีมันเป็นของเราจริ ง, ร, ร, ง, ร, ง, ง ร, รึเปล่า หรือร่างกายนี้ก็ดีจิตใจนี้มันเป็นของเราจริงหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าเรามาเ็กใจนะเราจะเห็นเลยว่ามันใช่ของเราจริงไหมหลวงพ่อเขเขียนนะท่านจะบอกธรรมะสุดยอดของขหลวงพ่อเมื่อวา น, นเขาพูดไปแล้วนะแต่อยากจะยามีนิดนึงบอกทัานสอนเราเรื่องไม่มีไม่เป็นอะไรแต่อะไร แต่ส่วนใหญ่ตนหนังจะตัดเดี๋ยวจะไม่เป็นอะไรแต่อะไรโลกความสั้นแต่ที่จริงเขากำลัไม่มีมันไม่มีมาก่อนนะไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีของของเรานะเมื่อมันไม่มีร่างกายของเราไม่มีจิตใจของเรานะมันก็เลยไม่เป็นว่าเราเป็นผู้ทุกขนะ์เราเป็น กายของเราทุกใจของเราทุกเพราะแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีตัวตนมากอ่อนมันไม่มีของของเรามากอ่อนมันก็เลยไม่เป็นเมื่อมันไม่เป็นนะอะไรจะเกิดขึ้นมามันก็ไม่มันไม่มีตัวตนเข้าไปรับอะใช่ไหมไม่มีไม่มีตัวตนเข้าไปรับมันก็มันก็ถูกแค่กับกายกับใจแต่เราไม่ยึดว่ากายใจนั้นเป็นเรานะ อันนี้คือธรรมนัติสุดยดที่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะท่านชี้ให้เห็นเลยนะชี้ให้เห็นคําว่าอนัตตานะก็คือไม่มีอัตตาที่แท้แน่ น, น, นอนแต่เราเนะี่ยภาวนานะเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็ตื่นเต้นกันภาวนาองค์กรต่างก็ตื่นเต้นภาวนาแต่แมาก็คิดว่ายังไม่ใช่การภาวนาแบบพุทธศาสนาเป็นการภาวนาแบบสมาธิ ภาวนาแบบจิตวิทยาภาวนาเพื่อให้มีปฏิไดภาพในการทำงานภาวนาเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมีความสำเร็จอันนั้นจะพูบว่ามันก็ดีนะแต่มันเป็นเพียงแค่ไม่ใช่จะเรียกว่าเป็นเพียงแค่เปลือกเป็นเพียงแค่นะสิทีของของการมีชีวิตอยู่ แต่ภูมิปัญญาท่านสอนถึงแก่นแก่นจริงๆคืออะไรทําอย่างไรเนี่ยอย่างในบสวดมนต์ธรรมวชชานะทําเช่นไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพูฟราบสดชัดแก่เราได้นี่คือนี่คือสิ่งสําคัญที่พระเจ้าสอนทําอย่างไรการทําให้กองทุกเนะี่ยจะหมดไปจากชีวิตเรได้อันนั้นสิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยเราต้องเห็นก่อนว่า ชีวิตมันเป็นทุกข์มันก็ยากนะเพราะว่าในความรู้สึกในความคิดนะ่ะเราจะรู้สึกว่าชีวิตเดี๋ยวก็สุขชีวิตเดี๋ยวก็ทุกข์นะมันจะรู้สึกว่า น, นะชีวิตเดี๋ยวก็ลาบลื่นเดี๋ยวชีวิตก็มีปัญหาเพราะเราเยังไม่เห็นว่าในความสุขมันก็มีความทุกข์ในความมีมันก็มีความหาย สิ่งที่ในความเป็นมันก็มีความที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นจริงๆนะมันเป็นเพียงแค่สมมติทุกอย่างมันเป็นแค่สมมุติที่เรามีสมมุติที่เราเป็นสมมุติที่เราอาศัยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่ใช่ของเราจริงๆนี่คือธรรมะที่สุดยอดนะไม่ว่าจะวัดถูกก็ดีนะตายไปเอาไปได้ไมัเยอะ เอาไปไม่ได้นะใช่ไหมนี้เราก็รู้นะแต่เราก็บอกเอาไปไม่ได้จริงนะเดี๋ยวเอาไว้ให้ลูกหลานก็ดีนะอืเดี๋ยวก็ไม่มีใช้ อ, อก็ยังห่วงลูกหลานอก็มัน ก, ก็เรามีห่วงเนาะหรือเราก็คิดว่าเราทําบุญนะเราจะได้อาไปใช้ชาติหน้าบางคนทำบุญนะทําเยอะๆจะได้ชาติหน้าเกิดมาจะได้สบายจะได้รวยจะได้รล่อจะได้สวยจะได้ อยู่ในพวกรูปดีๆนะเพราะเราเห็นว่ามันเป็นตัตาอยู่มันก็เลยทำเพื่อจะเอาเอาชาตินี้ไม่ได้เอาไว้ชาติหน้าก็ได้คิดว่าบุญมันคือเหมือนเราฝากธนาคารไว้แล้วจะตายไปไปคมอติไปสวันค์ไปเบิดไปเบิดเขามากินเรามาใช้เอามาอยู่นะแต่จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนตามนะโยม แม้ท่านมางทีก็สอนหอกล่อให้คนไปสวรรค์ก่อนแต่สุดท้ายท่านจะสอนให้เห็นโทษว่าสวรรค์ก็มีโทษสวรรค์ก็มีโท ษ, วว ก, โทษการออกจากการรมดีกว่าอยู่บนสวรรค์ท่านก็ชี้ขึ้นมาแล้วก็จะชี้หเห็นอภิยะสัตตสีเห็นว่าแม้ไปเกิดในภพภูมิดีขนาดไหนแต่สุดท้ายมันก็วิเชียบ ม, มันก็ไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นตรง น, นั้นได้ เราต้องเห็นก่อนนะว่าวัตถุสิ่งของต่างๆเนะี่ยมันเป็นของแค่ชั่วคราวที่เราเรายืนเข้ามาใช้นะนะเราเอาใส่ไปใช้แม้แต่ที่เราส่วนน น, นะวนท์นั่งตะกุ้งนะโดดพิเศษเราจะพึ่งภูเขาป่าไม้สิ่งต่างๆเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้นะหรือแม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งนะแต่คำว่าเป็นที่พึ่งเข้าใจนะั้ม ที่พึ่งคือที่อาศัยไม่ใช่ที่ยึดติดถือมั่นอันนี้คือสิ่งสําสคัญนะพระเจ้าท่านได้บอกว่ า, เอ า, เ, าเอาพ่อพุธเอาพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแบบเราต้องกอะไว้ต้องรักษาไม่ให้หายไปที่ไหนแต่ท่านบอกว่าเอ า, เาพ่อพุธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพื่อให้เราเดินทางไปสู่จุดหมายคล้ายๆเหมือนเรานั่งเรือ เรานั่งเรือข้ามแม่น้ําข้างทะเลไปถึงไปถึงฝั่งเราก็ต้องลากจากเรือนั้นข้าวไปสู่ปั่ ง, งนี่คือที่ขึ้นจริงนะท่านไม่ใช่ว่าให้เรายึดเพราะพระธรรมเก็ส่งแบบตายตัวเกาไว้แต่ท่านอาศัยเว่าเป็นที่ขึ้นเข้าไปเพื่อไปสู่ฝั่งแห่งพรนิพพานนั้นธรรมะมันมีหลายระดับโยระดับแบบ อยู่กับโลกลโลก็มีระดับผ้นจากโลกก็มีตอนไปส่วนโมกข์ใหม่นะงงมากนะครับว่ามีติดนะบางทีเรื่องหลวงพ่อ็ระข า, านะบางทีก็สอนสัพเพธรรมนาม า, มารางอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งควญก็มีควรยึดมั่นถือมั่นให้เราเนาะ เราจะไม่ยึดมั่นสืบมั่นตอนแรกเลยมันก็ไม่ได้ต้องอาศัยอาศัยเป็นพ่วงแพไปก่อนแต่สุดท้ายครูบาอาจารย์ก็เตือนไว้ในว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องข้ามออกไปอันนั้ น, นที่เราาฝึกตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ฝึกเพื่อปล่อยวางนะโยนฝึกเพื่อให้มีที่ตื้นก่อนเหมือนตอนนี้นนะเราอยู่ทเาเี่ยไม่มีเรือนะ มันข้ามทะเลยากที่พึ่งที่จะทาให้เราข้ามทะเลความวัตัดสมสามคื อ, อะไรคือการมีสติสตินี้ไม่ใช่ที่เกาะนะแต่เป็นเกินที่อาศัยเหมือนตอนนี้ยเราอยู่กลางทะเลนะไม่มีที่อาศัยสิ่งสําคัญที่ทําให้เราข้ามม่วงของความทุกข์ได้คือการสร้างสติขึ้นในกายในใจนะสร้างสติขึ้นในกายในใจ ให้ได้ก็เป็นที่ขึ้นนะเราจะสร้างสติได้ที่ตรงไหนสติเนี่ยไม่ใช่ที่เรื่องนอกตัวโยนสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่แล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่เรารู้สึกตัวจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้รู้สึกตัวนั่งให้รู้สึกเดินให้รู้สึกนอน รู้สึกกินรู้สึกเนะีคำว่ารู้สึกเนี่ยคือแค่รู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายนะไม่ต้องไปรู้ว่านะไม่ต้องไปรู้ว่ากำลังกินไม่ต้องไปรู้ว่ากำลังนอนไม่ต้องไปรู้ว่ากำลังคิดเรื่องอะไรนะไม่ต้องไปรู้นึกขนาดว่าอันนี้มันหวานอย่างนั้นอย่างนี้นะคนกิน คือไม่ต้องไปรู้แบบที่เป็นรายละเอียดเดียวแค่รู้ตัวมันมันมันเวลาคนปฏิบัติธรรมจะพลาดตัวนะี้คือไปรู้มากกว่าสิ่งที่เควรจาเป็นจะต้องรู้อืใช่ไหมเหมือนเรารู้อ่ะเห็นละเห็นเป็นคนแต่ถ้าเราเริ่มป็นจำแนกแอีกตัคนนั้นผมยาววันนี้ผมสั้นตัะ น, น, นั้นหน้าเดีย่ยววันนี้หน้าคมเนะี่ยมันจะเรื่องมากละแต่แค่รู้สิเฉยๆธรรมดาเนี่ยมันจบ แต่พอเราเริมไปรู้แบบสมมุติมากขึ้นนะ่ะมันจะเกิดอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบนะมันจะเกิดมากขึ้นเะรื่อยๆนะแต่ถ้ารู้เฉยๆกันแนะ่นมันจะจบนั้นการรู้สึกตัวนะท่านกินแค่ให้เรารู้ตัวว่ามันมีตัวมีรูปอยู่บนโลกนี้แค่นี้นเองนะเพราะว่าการที่เรารู้ตัวว่ามีร่างกายอยู่บนโลกนี้มันจะไม่เราอยู่กับโลกความเป็นจริงเพราะส่ว น, นใหญ่ถ้าเราไม่รู้ตัว เราจะไปอยู่ในโลกของความความคิดเราจะไปอยู่กับอาการของความคิดหรือยึดจมในความคิดคนส่วนใหญ่นะมีชีวิตอยู่แต่จิตใจอยู่กับความคิดเราเดินแล้วก็คิดเรากินแล้วก็คิดนอนก็คิดคือชีวิตเราอยู่กับความคิดคิดอะไรคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้ว คิดเรื่องที่ยากไม่มาหรือคิดเรื่องที่เกิดกปัจจุบันเราก็เลยอยู่กับความคิดทนะั้ง น, นั้นเลยนะเลวงพ่อเทียนท่านเลยคิดว่าต้นเหตุของความทุกข์คือความคิดดูดีๆนะที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะคิดมากใช่ทุกข์เพราะ ค, คิดมากคิดจนกินไม่ได้คิดจนนอนไม่หลับแต่ ก็ไม่ไสอนให้ห้ามความคิดนะต้องเาใจนะความคิดก็ไม่ได้ห้ามนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การอ้างความคิดแต่เป็นการรู้พันความคิดแล้วก็ไม่ไปอยู่ในความคิดเมื่อไม่ไปอยู่ในความคิดให้ไปอยู่ที่ไหนก็กลับมาอยู่กับตัวแต่คําว่ากลับมาอยู่กับตัวไม่ใช่ที่ไปจมอยู่ในมือในแขนในลมไป็นกาะไว้นะไม่ใช่ เห็นแค่ท่าน ร, รู้อยู่ว่ามันมีตัวอยู่กลับมาอยู่กับตัวเมื่อเราอยู่กับตัวเราจะเห็นความคิดเห็นตัวแหลมันจะคล้คายเปรียบเทียบให้ดูเห็นภาพนิด น, นึงนะเค ด, ดูกระจกหมเมื่อยู่หน้าก็เจกพอเราอยู่หน้ากระจเรกระจเราจะเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นรูปในกระจกไอ้รูปในกระจกใช่เราจริงปะ จริงๆมันคือตรงไหนไอ้จริงๆคือคนที่มันยืนอยู่ตรงข้างกับระจบใช่ไหมคือคนที่ยืนอยู่ตรงข้างกระจกแต่พอเราอยู่นยืนหน้ากระจกเนี่ยคือเราไปดู้ดูรูปในกระจกแต่คนจริงๆคือไอ้คนที่ยืนอยู่ใช่ไหมเหมือนชีวิตเราอ่ะไอ้คนยืนอยู่ตรงเนี้ยนะแต่เราไปสนใจ ไอ้ทีค่ความคิดที่เราดูอยู่คือเราไปสนใจความคิดที่เราดูอยู่นะใช่ไหมคือแบบนี้นะเราจะกลับมาไงที่เห็นว่ามันมีคนที่ยืนอยู่ตรงนี้อยู่แต่มันก็เห็นภาพ ข, ข้างนอกด้วยเห็นข้างในด้วยนะมันต้องอยู่ตรงไห น, นถึงจะเห็นทั้งสองคนอยู่ตรงข้ามมันจะเป็นหนื่สติมันจะเป็น ออกมาเห็นอีกทีนึ่งเห็นอะไรเห็นร่างกายบัเก็นเหมือนคนที่อยู่ที่ยือยู่ที่ตรงข้างกระจกเห็นจิตใจเหมือนกับความรู้สึกหรือความคิดที่อยู่ในกระจกเห็นกายอยู่ตรงนี้ถึงใจอยู่ตรงนี้สติไม่ได้เข้าไปอยู่ในในรูปที่เป็นรูปของความคิดสติไม่ได้เข้าไปเกาะไว้ในร่างกายแต่สติเกินแค่ระดัรู้กาย มันเหมือนเพื่อนที่อยู่ตรงข้างเรานะแล้วก็เห็นเรายืนอยู่เห็นรูปที่อยู่ตรงข้ากระจกอยู่มันเหมือนสติเป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่เห็นความจริงทั้งกายแล้วก็ใจพอฟ้องกันนี่มันจะสติคือทําั่นเนะมันเห็นเห็นนะนะเพื่อนเราอยู่ตรงนี้กายอยู่ตรงนี้เพื่อนเราหลงไปคิดแล้วมันก็จะ เ, ะ เ, ต, อเอตือนนะ้ที่เธอยืนดูตาเองเธอจะเห็นความคิดสติจะเป็นเหมือนเพื่อนที่เตือนเรา เตือนเราแต่ม the the right ันอาจจะไม่ได้แยกแบบชัดเจนเหมือนเหมือนรูปธรรมที่ที่แสดงให้เห็นนะแต่มันเหมือนจะรู้สึกแบบนั้นมันจะรู้สึกว่ากายก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ไม่ใช่เราจิตก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ใช่เรามันรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้ารู้สึกว่ากายกายคือเราหรือความคิดนันคือเราจริงๆมันก็ยังไม่ใช่แต่ติจริงๆนะเพราะสติจริงมันเพียงแค่รู้ว่า นะมีกายอยู่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่จิตอยู่แค่นั้นะนะนี่คือเราต้องพัฒนาเพื่อเกิดสภาวะรู้แบบนี้นะเริ่มต้นจากการที่แรกๆคนที่บอกว่ามักเข้าไปอยู่ในรูปในกระจกคือคือเข้าไปอยู่ในความคิดให้กลับมารู้ตัวอยู่ว่ามีมีตัวที่ยืนอยู่กลับมารู้ตัวบ่อยๆเ ร, เ ร, เรเาก็จะปุดออกมาจากโลกของความคิดได้บ่อยขึ้นนะฝึกใหม่ๆนะ ฝึกใ ห, หม่ๆไม่ใช่ฝึกให้มันไม่คิดไม่ใช่แต่เรียกว่าฝึกกลับมาจากความคิดกลับมาอยู่ที่ไหนกลับมาอยู่กับสิ่งที่เราทํารูแปแบบก็คือนเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกตัวทําอะไรรู้สึกตัวนะแค่ น, นะนี้นะหลวงพ่อเทียนท่านพูดชัดมากโยไม่ต้องดีความมากท่านบอกพิจครณาความรู้สึกไม่ใช่ว่า พิกมือขวาขึ้นให้รู้สึกก่าพลิกมือขวาไม่ใช่นะพลิกมือขวาขึ้นรู้สึกตัวยกมือขึ้นรู้สึกตัวมือวางไว้รู้สึกตัวไม่ใช่ไปรู้สึกว่ามันวางแล้วมันมันแรงเกินไปมันเป็นหน้าไมไม่ไม่ได้รู้สึกเลยนะแคร่รู้สึกยกขึข้นรู้สึกตัวเขาคอรู้สึกตัว คืออาศัยรูปแบบกบบไหนก็ได้นะรู้สึกตัวหรือถ้าจะบางคนดูบางหาใจนะหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวถ้าแบบหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ายิ่งมากไปเลยนะอันนี้พูดถึงแค่เอาสติเจย น, นะหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวนี่ยยิง ม, มากไปเลยครับมันจะเป็นเหมือน ทั้งสติแล้วก็มันจะมากไปในเจอสมาธิมันไม่ใช่รู้แบบกัลมมติจริงๆมันยังรู้แบบมีสมุตตมาคนเนี้ยด้วยแต่ถ้าเราเรียนถ้าจะเน้นรู้แบบกัลมมติมันพิกรู้สึกยกรู้สึกวางรู้สึกอันนี้คือรู้สึกตัวต่อกายต่อไปเวทนาก็ดีจิตก็ดีนะบางคน เกิดความคิดขึ้นมานะคิดว่าความคิดมันไม่ดีแต่จริงนะถ้าเราเป็นนักภาวนาแบบรู้สึกตัวจริงๆนะคิดปุ๊บคือการรู้สึกตัวนะจริงๆนะหลงก็คือความรู้สึกตัวคืออะไรรู้ตัวว่าคือมันหลงไปเรารู้ตัวว่ามันหลงเนี่ยหรือไม่ต้องไปคิดว่ามันหลงก็ได้นะหดงไปปุ๊บรู้สึกตัวไปดู นะตาเห็นคือรู้สึกตัวหูได้ยินคือรู้สึกตัวนะแต่ก่อนเนะี่ยถ้าเราไม่มีมติตตาก็จะพาจิตไหลออกไปหูก็จะพาจิตไหลออกไปนะแต่พอมีเสด็จริงเห็นรู้สึกตัวได้ยินรู้สึกตัวลมกระทบรู้สึกตัวนะใจคิดรู้สึกตัวนะที่จริง เรามองแบบนี้จริงนะทุกอย่างคือการข้างความสุขตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นกายก็ดีใจก็ดีนะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาเป็นบุญศาสตร์ที่จริงถ้ามองจริงๆก็ไม่ใช่นะเพราะอะไรพอคิดปุ๊บรู้รู้ตัวว่าคิดเนี่ยคือสุขตัวละแต่ที่มันจะพลาดไปคือประมาณว่าเราไม่ชอบความคิดเราก็เลยห้ามไอที่พลาดคือเราไปห้ามห้ามความคิด เพราะเราไม่ชอบเนนะี่ยแหลือห้าตอนที่รู้ว่ามันคิดเนะี่ยมันถูกแล้วแต่พอจิตตอบมามันเกิดความรู้สึกไม่อยากคิดไม่ชอบความคิดเราก็เลยห้ามมันทุบพาอตรงนี้นะทุกพ่พอห้ามแต่ถ้าเราไม่เราแค่รู้เฉยๆนะเราก็ปล่อยจริงๆเหมือนเราเราอยู่บนสีแยกนโยมนะรถรถเราวิ่งนะเราอยู่บนตีแยกเนะนะี่นะเยเนะขาวิ่งไปวิ่งมาเนะี่ย เราป่อนภัยเราไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นจราจรนะไปคอยๆบวกค่อยๆห้ามเนี่ยเราจะต้องอันนี้โบอันนี้โยนและมันจะเหนื่อยตลอดเวลาเลยต้องมีรถตลอดเวลาความคิดก็เหมือนกันก็มีตลอดเวลาเราจะเหนื่อยก็เราต้องอันนี้ห้ามอันนี้เอาอะไรดีเอาอะไรไม่ดีไม่เอานะอะไรชอบเอาอะไรไม่ชอบไม่เอา บางทีไอ้ที่ไอ้ที่ดีบังทีก็ไม่เอานะก็ไม่ชอบ <c oughs> ก็มีนะแต่สัวให ญ, ญ่มันเป็นเอาเอาสิ่งที่ชอบไม่เอาสิ่งที่ไม่ชอบมากกว่านะชีวิตเราเหนื่อยก็ตอนน้องยีดยุ่แต่ชีวิตจะไม่เหนื่อยถ้าเราแค่ดูเฉยเฉยแค่ดูเฉยเฉยเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ทับไปนะมันจะอยู่เฉยเฉยมันจะรู้เฉยเฉยนะ นีการมีสติที่เราฝึกรู้สึกตัวบ่อยๆต่อไปสติจะกลายเป็นผู้ดูนะจะกลายเป็นผู้ดูดูกายก็ทํางานดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนะดูไปเรื่อยๆจะมีภาวะผู้ดูแต่บางทีผู้ดูก็ไม่ใช่ว่าจะดูตลอดโยมบางทีหลงเข้าไปหลงเข้าไปดูมากเกินไป ไปไปยืดกายไม่เกินไปถึงที่ก็หลงไปอยู่ในความคิดทํำไงก็กลับมากลับมากลับมาบ่อยๆกลับมาเป็นบ่อยๆมันจะทําให้เราหลงไปตั้นลงหลงน้อยลงะอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่ไม่ปู่มมากหลงไบ่อยนะทำแค่นั้นกลับมากลับมาบ่อยๆจะมีท้อเป็นผู้ดูที่มากขึ้นหลงไปตั้นลงทุกน้อยลงะยังทุกอยู่นะ แต่ทุกน้อยลงทุกตั้นลงยังคิดอยู่นะแต่จะรู้สึกว่ามัคิดตั้นๆคิดยังไม่พันเป็นเรื่องงาดาวก็กลับมาลคิดนะกลับมากลับมานี่นี่คือการปฏิบัติพอเราเห็นบ่อยๆต่อไปมันจะแยกแยกอันนี้คือรูกอันนี้คือนามอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามทุกอย่างร้วไม่เคี่ยวรั้วมัดคับไม่ได้ ล้วนเกิดดับคนนั้นจะเห็นได้ว่าความจริงจริงะคือตรงนี้ปัจมัดความจริงคือทุกของมทุกอย่างคือตรงนี้ไอ้ที่เราหลงจริงจริงคือเราหลงสมมติหลงเพราะเราไปยึดหลงเพราะเราไปคิดว่าเป็นของเราจริงๆคือหลงคือตรงเนี้ยนะพอคนเข้าใจเรื่องสมมติเรื่องปัจมัดมันจะ คล้ายความพุทธต่างๆนี่มันหลุดไปมาว่ามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรคนมันะก็หลงสมมุตินะหลงสมมุติเยอะมากนะทั้งสมมุติในตัวสมมุตินอกตัวหลงเยอะมากถ้าเราเข้าใจสมมุตินะเราจะเห็นได้ว่าเนะี่ยทุกคนเราหลงในสมมุติเนี่ยเยอะมากเลยในชีวิตนี้พอเราเข้า ใ, ใจสิ่ี่เป็นปรัชญาแล้วมันมันส น, นุกเหมือนกันนะ สนุกที่เห็นความหลงของตัวเองสนุกที่เห็นความหลงของคนอื่นะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไปตำหนิคนอื่นอะไรนะแต่มันก็เห็นว่าเราก็เคยหลงมาแบบนั้นเหมือนกันนะแต่จริงชีวิตมันควรจะอยู่กับความไม่หลงมันก็เลยชีวิตมันเลยเหลือเป็นต่อทางอย่างมีแต่หลงกับไม่หลงชีวิตมันจะมีนะถ้าขาดสติก็หลงถ้ามีสติก็ไม่หลงอมันก็มี มันก็เหมือนเล่นเกมสองด้านเดียวชีวิตเกิดหลือแค่สองด้านนะอย่างอื่นเป็นเพียงแค่สมมติเท่านั้นแต่จริงๆแล้วชีวิตมีแต่ว่าตอนนี้มันหลงไหมหรือตอนนี้มันรู้มันก็จะสนุกนี่ยหลงไปอ่ะไม่เป็นไรกลับมารู้หลงไปเมื่อไรก็กลับมารู้มันก็เหมือนเหมือนมีแค่สองอย่างขาวกับดาหลงกับรู้คิดไปบ่อยคิดไปบ่อย ทำว้บ่อยๆนะทำแค่นี้นะไม่มีอะไรมากเลยนะแต่สิดุเลยว่าทำมาพระเจ้ามีแค่นนะจะได้ว่ามีแต่ดงกับรู้ก็ได้อคําว่าหลงนี่ละหลงนี่ไม่ใช่แบบไม่อย่างที่ที่จริงนะหลงลึกๆจริงๆเมื่อช้าไปดูภาคปฏิจจสมปบานหนะดงนีจริงคืออวิชาอาวิชาเนี่ย มันหลว่าตัวเองรู้ไม่ใช่บอกไม่ใช่บอกว่าตัวเองไม่รู้นะมันดมว่าเรารู้หดมอะไรหลงไปยึดนะดลงไปคิดว่าเรารู้สึกนเราคิดว่าร่างกายเป็นของเราจิตใจเป็นของเรามันเทียบมันคือตัวตอนที่แท้จริงนี่คือดมที่ที่ตัวตัวหลักจริงๆหลงว่ามีตัวตนจริงๆ สวมว่าตัวตนนั้นเป็นของเรานะี่ยนี่ไม่ใช่มันไม่รู้นะมันรู้แต่มันรู้ผิดอวิชานะแต่ว่ารู้แต่มันรู้ผิดเข้าใจผิดปัญญาวจจ์คือเปลี่ยนเปลี่ยนความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกไม่ใช่รับธรรมไม่ใช่รับความเห็นนะเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก็ออยังความเห็นนะมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ อวิชาไปว่าไม่มีวิชาไม่มีความรู้วิชาไปว่ามีความรู้รู้ถูกต้องเนี่มันเปลี่ยนนิดเดียวะตึกตรงนี้เห็นไดบ่อยเราจะเห็นเห็นอะไรเห็นทุกก็คือความจริงะเรียนรู้ทุกที่เกิดขึ้นกับร่างกายจิตใจนะคือความจริงแต่เราก็จะเห็นความจริงที่มันเหนือความจริงคืออะไรในทุก มีความทุกข์หรือทุกข์มันคือเรื่องของตายเรื่องของใจแต่ไม่ใช่เราเป็นทุกข์ไม่คือความจริงที่อยู่ในทุกข์แต่เห็นวะไอ้ที่มันแก่ก็ไม่ใช่เราแก่ไอ้ที่มันเจ็บก็ไม่ใช่เราเจ็บไอ้ที่มันตายก็ไม่ใช่เราตายมันคืออาการของของรูปของนามไอ้ที่มันคิดก็ไม่ใช่เราคิดไอ้ที่มันสุขก็ไม่ใช่เราสุขไอ้ที่มันทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์มันคือสภาวะของกาล เฉยซึ่งที่จริงมันแสดงทุกวันนะทุกเวลาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเป็นไหมแล้วแต่ตื่นขึ้นมาก็ถึงไงตื่นขึ้นมาอย่างไรขี้เกียจไหมยังเช้าอยู่เลยนอนสักหน่อยมีไหมแล้วตอนนี้มันอยู่ไหมอยู่ไหมกินข้าว อร่ยอยความอร่อยอยู่มนโยนใช่ไหมอืมติดไฟแดงนะเสียดายตอนนี้ความเสียดายอยู่ไหมไม่อยู่ใช่ไหมนี่คือคือความจริงที่เขาแสดงให้เห็นนะเราก็เหียแค่รู้มันก็เกิดแล้วก็จาบไปอันนี้คือคือการฝึกสนะติกเนาะนะอยากจะมาเองจะรูปแบบไหนก็ได้ ขอเพียงแค่ให้มีสตริรู้สึกตัวนะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันจะทำให้พัฒนาไปถึงการเกิดปัญญาส ต, ติจะิดวเกิดปัญญาปัญญาเกงไม่เกิดความวิมุตติอีกทีนึงแต่ต้องเป็นการมีสติจริงจริงนะถ้ามีสติเพียงแค่รูปแบบก็ไม่ใช่แต่อย่างหนึ่งที่มาจะย้ำคือการมีสติก็ไม่ใช่เพียงแค่การทำในรูปแบบ ถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมคือสิ่งที่ทําได้เพียงแค่ในรูปแบบมันก็ยังไม่ใช่การปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก็ยากที่จะเกิดผลนะ ไ, ไม่เกิดผลแน่นอนมาว่าเหมือนเราต้มน้ําวันนี้เรามาต้มน้ําำต้มน้ําแต่แต่ที่จริงชีวิตจริงของเรามันเหมือนน้ําแบบหม้อใหญ่ๆมากนะต้มวันหนึ่งก็ไม่เดือดประมาณนั้น ม่รู้ต้มต้มหินนานเท่าไหร่นะคือจะเดือดวันนี้เรามาต้มน้ำสมมติเอาน้ำในสารนะนะไม่ใช่จะต้มน้ําในสารให้มันเดือดไงต้มวันนี้นะไม่เดือดหรอแต่ก็ไม่รู้แต่จะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะค่อยๆทําให้มันเดือดคล้ายๆสมมติว่าเราจะเอาน้ําในสารนะให้มันระเหิดกลายเป็นไอทั้งหมดนะต้องทําไงค่อยๆตักข้สมาก่อไปทำไงต้มให้มัน ก็เหิดกลาเป็นไนทั้งหมด น, นะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กันเลื่อนะแต่วันนี้เราขยันต้ม อ, อยู่แล้วนะได้หม้อหนึ่งสองหม้อที่เกลือไปละยังเหลืออีกเท่าไหาร่กันเล่นะแล้วอีกอย่างเราต้องแข่งอะไรยโยนฝ น, นอาจจะตกขึ้นมาอีกหนาวจะนาวก็เติมเข้ามาเต็มใสอีกนะที่จริงคนไม่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนนั้นอยางนี้โยนนะน้ำก็ไม่ต้มไม่เอาของเสียออกไม่เอาเกลดอออก เรายงเกิดรับของใหม่เข้ามอีกเยอะมากท า, ทางทางทาหูจมูกจีนกายใจรับเข้ามาอันนั้นการพัฒนา จ, จริงคือจะทำอย่างไรให้มันทำได้ตลอดเวลาอาจจะไม่ถึงกับตลอดเวลาหลับแต่พยายามทำให้มันได้ทั้งการทำในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบคนว่าข้อเด่นของของการปฏิบัติแนวแนวจิตวิสติษฐบบเพื่อนไหวก็ คือมันสามารถเราไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ง่ายคือกายทําอะไรก็ให้ใจรับรูนะนะ้หรือไม่แต่เกิดความคิดขึ้นมาความหลรธขึ้นมาเราก็เป็นแค่รู้นั้นกายอยู่ไหนก็นะให้ใจเราอยู่ตรงนั้นด้วยให้ใจเรารับรู้ด้วยนะหรือเกิดอาการอะไรขึ้นในใจก็ ใ, ใ, จให้เรามีสติรู้ตัวนั้นการฝึกสติจริงๆการทําวนาจรงิรงมันก็เลยเป็นเรืร่อง ทำได้ตลอดเวลาเลยนะถ้าเรามีสติแต่ถ้าขาดสตินะทำวิธีแบบนีน้เดินไปยกมือไปแต่อยู่กับความคิดตั้งกระบวนต่างๆก็ไม่ใช่เป็นการทำความเคียนนะแต่โยมเดินในตลาดโยมรู้สึกตัวในการเดินอยู่รู้สึกตัวว่าใจเดิอไปวิธีการปฏิบัติครับนั้นไม่ใช่อยู่ที่สถานที่และรูปแบบ แต่มันอยู่ที่การวางใจวางใจในการรู้ไหมเนี่ยสำคัญที่สุดนะแต่ก็มีโอกาสวันนี้ก็ฝึกไปก่อนอ้อมไปก่อนนะเพื่ออะไรให้มันชำนาญนะชำนาญ น, นะตอไม่หน่อยพอมันคล้ายๆเหมือนนักกีฬานะต้องวอร์ก่อนโยจะลงแข่งเลยนะอจาจจะบาดเจ็บปฏิบัติทำทาได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลานะไปเจอโลก น, น ไม่ไหวเราใหาไ้ทุกใจเครียดนะ <S <S บางทีก็ต้องซ้อมให้ก่อนนะซ้อมอ่าซ้องไว้พอไปแข่งอาจจะแพ้ชน ะ, ะไม่เป็นไรกลับมาซ้องใหม่เหมือนนักกีฬายมจะให้ชนะตลอดเนี่ยก็ไม่ได้วันนี้แพ้แต่แพ้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนต่อสักวันนี่งอาจจะได้เหรียญทองใช่ไหมเหมือนคนได้เหรียญทองมนควรจะตนื้อได้กี่คนนะ เขาก็แพ้มาไม่กี่ครั้งนะแต่ก็ฝึกอยู่ทุกวันนะเป็นวันหนึ่งก็ชนะแต่เวรทองไม่ปีกนะเดี๋ยวคนก็ลืมนะสี่ปีข้างหน้าคนเคล่นไปเหนือคนใหม่แต่การชนะตัวเองเนะถ้าชนะแล้วนะชนะเลยเราชนะอย่างอื่นนะยังมีคนที่เก่งขึ้นมาเรื่อยๆมาชนะเราแทนแต่การชนะกิเฬา น, นะถ้าชนะแบบขอนหน้าถอนโคลนะชนะแล้วชนะเลย แต่ แ, กแรกๆมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยมเหมือนเชนะ่นนั้นรู้แล้วก็หลงเหมือนช่นนัครั้งนึงนะแล้วก็กลับลงไปแต่คุณไปบ่อยนะเจ็ดท่านวันหนึ่งมันถอนถอนนะถอออกมาได้จริงนะมันตรวจตรงนั้นนะนั้นการปฏิบัติธรรมนะก็มานะก็พูดหมายถึงว่าคนที่ปฏิบัติมาบ้างก็่านก็เข้าใจนะนะแต่คนที่ยังไม่ปฏิบัติก็อาจจะงงบ้าง ทำไมพูดอะไรก็ไม่รู้นะงงก็รู้ก็งงนะนี่คือรู้ความจริงเดียวงงก็รู้ว่างงนะโร่งก็รู้ว่าโร่งนะสงสัยก็รู้ว่าสงสัยเข้าใจก็รู้นะอะไรก็ได้ไม่ได้คิดถูอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะดูอย่างที่มันเป็น ไม่ใช <ersch> ่รู้อย่างที่เราอยากให้เป็นอเราจะต้องรู้ึกคือความคิดมันจะติดว่ารู้ต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้น่ะที่จริงรู้อย่างที่มันเป็นะถุดแล้วจบเนี่ยคือมันง่ายนิดเดียวนะภาวนาแต่มันยากใช่ไหมง่ายนิดเดียว มันนิดเดียวนะมันทำนิดเดียวแต่มันต้องทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยนะแต่ที่จริงทำแบบอย่าไปคิดเอาอะไรเยอมันทำมันทางานเฉพาะหน้างานอาจจะเยอะก็จริงนะแต่ตอนนี้เราทำอะไรตรงนี้ก็ให้เราตั้งใจทำตรงนี้มันก็พอเหมือนเราวันนี้เราจะมีตารางกิจกรรมหลายอย่าง แต่สมม่ิตอนนี้เราตั้งใจทำทีนี้ให้มันดีเนี่ยนะทำนี้มันดีทำนั้นเต็มที่พอเราเวลานี้เรามีนมันดไปทำเนี่ยเราก็ใจก็อยู่กับสิ่งที่เราทําำวันหนึ่งเราก็กสามารถทํางานได้หลายอยา่างแต่คือเราตั้งใจทําทีลนะอย่างอย่าทาทีละอย่างนะพยายามตั้งใจทําทีละอย่างมันจะมีสมาธิมีกระติ๊กในตัว่นะอ่าไปกระโดด รีบจะทํางานนี้เพื่อจะได้ไปทํางานนี้แล้วเราจะติตเป็นนิสัยนะพอทํางานที่สองใจจะรีบไปงานที่สามทำงานวันนี้ใจก็กังวลวันพรุ่งนี้นะมันจะกระโดดไปเรื่อยชีวิตที่กระโดดคือใจร้อนกระโดดไปเรื่ยแต่ทํางานวันนี้ทําดีๆแต่ต้องแต่ก็ต้องระวังให้มันนะบางคนจมทำงานก็ไม่ใช่นะจมแบบไม่สนใจงานต่อไปไม่สนใจคนอื่น ก็เศร้า อ, ร อ, อะไรก็ไม่ใช่นะทํางานดูกายดูใจรู้ทั้งในตัวทา้งนอกตัวก็คู่เกันไปคนะือการทํางานที่มีสติมีสมาธิคนระับแต่ก็ไม่ได้ดีบไปกังวลถึงงานข้างหน้าไม่กังวลถึงไม้งานที่ทํามาแล้วมันไม่ดีมันผิดในนั้นนี้มันต้องไม่ได้เอาไปคิดหรือคิดไปแล้วกกลับมานี่คือทําให้มันดีนะที่จริงถ้าเราทํา ยังมีสติแต่ละครั้งใจก็ไม่เป็นอะไรแต่ละครั้งแล้วนะคำว่าไม่เป็นอะไรไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นพระราหันคำว่าไม่เป็นอะไรคือรู้แล้วไม่ติดแค่รู้สึกแล้วก็วางรู้สึกแล้วก็วางรู้สึกแล้วก็วางคำว่าวางนันก็คือเหมือนมันมันจบ รู้จบรู้จบไม่มีอดีตไม่มีอ น, นาคตแล้วก็ไม่ยึดในปัจจุบันไม่หลงไปอดีตไม่หลงในอนาคตแล้วก็ไม่ยิดในปัจจุบันปัจจุบันจป็นเพียแค่รู้รู้อาศัยบีบเข็นแค่เพื่องรู้แต่ไม่ยึดไว้เมื่อไหร่ที่เราไปยึดปัจจุบันมันก็เหมือนเราไปยึดจับอากาศมันไม่มี <Okay. S 2> หยุด <apprendre ADAM> หยี มันมีอยู่จริงก็ใช่นะแต่มันมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็แล้วนะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็งพูดกับคนที่ภาวนาโตพอเข้าใจแต่คนที่ไม่ภาวนาถ้าอยากจะเข้าใจก็ต้องภาวนา <c oughs> นะนะมันต้องจริงจริงนะมันไม่สามารถดูได้จากการคิดไม่สามารถดูได้จากการแค่ฟังมันะ มันต้องรู้ได้ด้วยตัวของเราเองที่เราสัมผัสได้นะอ๋ออ๋ออะไรนะอืมหรืออ๋อแบกไม่มีเอความันทุกพอเราแบกมันก็พอเห็นว่าแบกมันก็วางเองนะไม่มีใครบอกนะอืคนนะคนก็ให้บางทีทํากายนะเขายังฉลาดนะกายแบกของหนักพนะอมันเหนื่อยมากๆมันก็วางนะเหมือนดักยึดน้ําหนักนะ เห็นไหมเขายกไม่ไหวนะเขาทิ้งเลยไม่ฝืนทิ้งแต่จิตใจออเรานะมันหนักนะมันคุ้มมันมันทิ้งไม่ออกเลยมันบอกให้วางเนี่ย่วางไม่ได้แต่ร่างกายนะยกอะไรไม่ไหวน่ะมันทิ้งเลยมันไม่ฝืนมันปล่อยอแต่จิตใจเราเนี่ยมันฝืนมาเกินละมันไม่ยอมปล่อยอต้องเห็นของหนักมันถึงจะออกได้นะจิตใจ ก็ฝากไว้นะ